ต้องมีพระที่แจกเฉลี่ยกันเวลาแจกตักใส่บาดถ้าบาทไหนมากแล้วก็เอาใส่บาตรที่น้อยถ้ามันมากพอสมควรแล้วก็พอก็ตักใจนิดน้อยแล้วก็เออกไปไม่ใช่ว่าจะตักให้ล้นบาดเพียงดูท้องของเรากับท้องของหมูเพื่อนก็นเหมือนกันนั่นแหละตักพอประมาณ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 หลวงพ่อไม่ฉันอาหารให้พวกเราผลที่สุดลูกน้องก็จะอดไปหมดเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าเนี่ยสำคัญนะจะต้องได้รับเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดหลวงตามหาบัวท่านพูดท่านเจ้าคุณจมเดจมหามมนีวงศ์ที่ท่านเคยไปอยู่ด้วยสมัยท่านเป็นเจ้าคุณหลวงตายัางเป็นพระน้อย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 ชาแล้วก็ไม่มีใครเอาเอาชามาถวายท่านเลยพวกชาของชาอะไรพระในวัดที่เคยฉันที่พระมากนี่แมเนี่ยในวัดเน่ยเป็นร้อยอะ่ะร้อยสองร้อยพระก็เลยอดไม่ได้ฉันไปด้วยเพราะว่าท่านเจ้าคุณใหญ่ท่านบอกว่าท่านฉันชาไม่ได้ไม่มีใครถวายตะกอนถวายท่านเลยกรท่านกระจกพระไปถวายมาเถ่ะแล้วก็แจกพระไปเพราะที่สุดไม่มีชา ไม่มีชาฉันเทอเลยพระเขาเลกราบเรียนท่านว่าพวกลูกศิษย์ไม่มีชาจะฉันแล้วเพราะว่าท่านเจ้าคุณใหญ่บอกว่าไม่ฉันชาอ๋อต่างกันเราพูดใหม่ทำไมเราจะพูดใหม่เำอมทีนี้เขาเอาชาม า, านี้เอาชามาถวายท่านบอกว่า ชาไม่ดีเน่ยชาราคาต่าๆเนี่ยชาที่เขาเก็บมาเนี่ยถ้าชงไปแล้วสีแดงเนี่ยมันฝาดนะมันท้องผูกนะถ้าชาดีๆชงไปแล้วน้ำใช้ใสเนี่ยเราฉันไปแล้วก็มันไม่ผูกหรอถ้าฉันชาดีๆนะถ้าฉันชาไม่ดีเน่ยท้องผูกมนะจากนั้นมาเขาเลยเอาชาดีมาถวายหลวงปู่อีกเลยถวายท่านเจ้าคุณดิท่านเจ้าคุณจะแจกลูกน้องอุดตรุดเลยวนะ อันนี้หัวหน้านี่สำคัญนะถ้าหัวหน้าบอกว่าอันไหนไม่ดีเนะี่ยโดยมากมันจะแห้งในวัดนะเพราะนั้นจะไปพูดไม่ได้ว่าอันนั้นชอบอันนี้ไม่ชอบเพราะงั้นแต่อะไรมาเอาฉันได้หมดเพื่อว่าหัวหน้าไม่ชอบลูกน้องก็ฉันยังฉันได้ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการที่เป็นหัวหน้าต้องมองหลายๆมุมหลายๆด้านนะแลวก็พร้อมกันสมัยหลวงปู่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 จะดำรงทรงศาสนาประกาศระศาสนามาถึงพวกเราเนี่ยสู้ทนทุกทรมานในเรื่องปัจจัยสี่ไม่น้อยเหมือนกันบางทีบางแห่งบางหมู่บ้านไปบินทบบาทท่านบอกว่าพระสิบข่อองค์พระสิบเจ็ดสิบแปดองค์ไปบินทบบาทได้ไข่มาเจ็ดแปดลูกนลไข่ไก่พอได้ไข่มาแล้วก็นี่แหละใช้ฟ้าบาทฟ้าบาททองเหลืองสมัยนั้นน่ะ พอฟ้าบาททองเหลืองมาท่านก็โดยมากมีตะปะขาวไปด้วยตะพะขาวนี่ก็คือผัอกเกลือผัพกพิกที่จะไปฉันสมอเวลาเดินทุดงไปมันไม่ทายมันท้องผูกนะ่ะก็ต้องได้ฉันคําป้อมสมอก็ต้องมีตะปะขาวตะไครเกลือไปด้วยแต่นี้นพอไม่มีอาหารฉันมีใข่ได้ไข่มา เจ็ดแปดลูกมาเนละี่ยมาขยำใส่ฟ้าบาดเนะียพอขยำใส่ฟ้าบาดเสร็จแล้วก็เอาเกลือลงเ่ยพ่อเอาเกลือลงเสร็จแล้วก็ให้แต่ระขาวไปเอาใบมะม่วงเยพระกี่องค์พระขาวกี่คนว่างั้นก็ทําเป็นกลวยแล้วก็ถวายแต่และองค์ลงลงลงแต่ก็ตักที่ไขนะ่ขยํากับที่ฟ้าบาดนะ่ะตักใส่กลวยใส่กลวยใส่กลว ย, วยแล้วก็ แจกไปให้พระให้ครบทุกองแบบนั้นเราคิดดูสิว่าเอาเข้าวเหนียวจิ้มกี่คำแบบนั้นในใบมะม่วงนั่นนะแต่ท่านก็ให้ทั่วถึงอยากให้ทั่วถึงเอาแจกเอาทุกองค์นี่แหละท่านไปอยู่ด้วยกันท่านมองกันท่านจึงได้เป็นพึกแผ่นขึ้นมาจึงได้มีการประกาศเผยแพร่ทำคำสอนมาถึงพวกเราท่านทั้งหลาย ด้วยน้ำจิตน้ำใจของครูบาอาจารย์ในยุคนั้นจริงๆอยู่ด้วยความยากลําบากด้วยปัจจัยสี่แต่ใจของท่านเนี่ยเกินร้อยว่านั้นแต่แต่ว่าธรรมะที่ท่านได้ศึกษาจา ก, จา ก, จากครูบาอาจารย์จากนั้นกับท่านนําไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของท่านก็นําธรรมะมาเผยแผ่ประกาศศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมออกเคารพนับถือเลื่อมใส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 ให้มันอยู่กับลมหายใจเขาออกนะให้ใจอยู่กับให้ใจเป็นหนึ่งเดียวนะเมื่อใจเป็นหนึ่งเดียวจิตใจก็รวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบก็รู้ได้ว่านี่แหละคำว่าสงบคำนี้สมาธิคำนี้มีความสุขอย่างไรเนี่ยก็พูดได้เพราะเหตุใดเพราะได้ผ่านความสงบจิตใจได้รับความสงบมาแล้ว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 ผู้คนลูกหลานทั้งหลายก็นในบวชในพระพุทธศาสนาจิตได้แพร่หลายถึงขนาดนี้แหละเพราะนั้นปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเป็นปฏิปทาที่อดอยากพูดอย่างนั้นได้ขึ้นมาถ้าจะว่าไปแนละ้วขึ้นมาจากศูนย์ว่างั้นเถอะท่านก็พยายามแต่ถึงยังไงก็ตามมาถึงยุคนี้สมัยนี้ถึงจะร่ํารวยยังไงก็ตามท่านไม่อย่าลืมตัวนะถึงจะมั่งมียังไงก็อย่าลืมตัว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 อย่าไปคิดว่าเป็นของตนเองให้ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธทเจ้าอยู่ตลอดมันจึงจะไม่ลืมตัวถ้าว่าเราถือว่าเป็นสมบัติของเรานะ่ะลืมตัวได้ง่ายมันลืมตัวได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะเขามาให้เราเนี่ยต่ไม่จริงเราคำนี้เนะี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเถแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่ของเรานะถ้าตัวของเราไปเป็นฆราวาะจะมีใครถวายไหมถ้าเราไปเป็นฆราวาสจะสึกออกไปสั้นหรือไป ทำตัวอย่างอื่นสักไม่ใช่ยูนิฟอร์มนี่นะเขาจะให้เราไหมไม่ให้ทำไมให้เพราะอะไรเป็นบารมีของเราและเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องลําลึกต้องคิดให้ดีในเมื่อเราได้อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าอาศัยอติเลกลาบของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการใช้อะไรก็ตามต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่าไป ลืมตัวฟุ้งเฟอ้อฟุม่มเฟือยในปัจจัยสีท่ทำได้มาโดยเป็นธรรมแล้วก็เอือพอที่จะแจกเที่ยให้แก่ผู้อื่นที่ยากจนกว่าเรามีตั้งเยอะแยะในโลกเนี่เมื่อเราได้แล้วก็วออเออเฉลือเผื่อแผ่ไปต่อมวลมนุษย์ในเมื่อเขาให้เราเขายัางให้เราได้ในเมื่อเขายากจนเขายากจนกว่าเราเขาทุกข์กว่าเราเราก็ให้เขาได้เพราะฉะนั้น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 เขาว่าเอ๊ะพระ อ, องค์นี้บินทบาทไม่มีไม่ไม่ไมพอฉั น, น่ะเขาให้เดินนําหน้าแต่คนที่จะใส่บาทเขาก็ทํากุกกิเกตคล้ายๆกับ ว, ว่าจะใส่บาทองค์นี้ก็เดินไปซะเขาก็ใส่องค์ที่สามที่สี่ที่ห้ามาการว่าจะให้ใส่องค์กลางพอใส่เข้าไปเขาก็ใส่ไม่ทันซะไงทั้งที่ท่านก็ยืนคอยแต่เขาคนนั้นอ่ะมันมีอันเป็นไปมันสรุปแล้ว คือกลัมตอนนี้มันมันเบียดบังว่างั้นถอะถ้าอยู่องค์สุดท้ายไม่ต้องพูดถึงอาหารหมดก่อนว่าไงเถอะเนี่ยจนเป็นที่เรื่องลือกันในครั้งพุทธิยาวเป็นลูกศิษย์ภาษาเรบุตรอีกต่างหากนะเป็นบิณฑบาตไม่พอฉันภาษาเรบุตรก็รู้ทีนี่เป็นไงลูกศิษย์ของเราเนี่ยทาไมถามท่านว่าผมตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่ทานอาหารไม่เคยอิ่มเลยครับ ถามพระอุปชาเออเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะใส่บาทให้พอใส่บาทให้พระสารีบุตรจับขอบบาทจับขอบบาทร่างั้นแต่ให้ลูกศิษย์ฉันอ่างั้นแต่ท่านก็ฉันเลยอย่านั้นะฉันฉันฉันฉันจนอิ่มอิ่มครั้งเดียวน่ะจากนั้นท่านก็บอกว่าจะผมขอลาปรินิพานทั้งที่ดัานท่านได้เป็นพระอรหันนะท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหัน แต่ท่านบินทบบาทไม่มีอตเตเลกราฟจากนั้นท่านก็ปรินิพานเลยพระรหารปรินิพานง่ายนะเพอาออกจากล่างท่านนะล่างกายนั่นก็หมดสภาพไปเลย จ, จบจบอย่างนั้นแหละพระสงฆ์ทลายได้กลาบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกว่ า, ว า, วาเขามีกลัมในอดีตในอดีตชาติของเขาทํากลัมมาไม่ดีเขาจึงในอดอยากเนยะอันนี้ก็คืออันหนึ่งท่นี้อย่างพระศิววณีท่าเป็นผู้มีอตเตเลกราฟมากเลย ไปที่ไหนเนี่ยโอ้โ ห, หมืดฟ้ามัวดินคนทําบุญทําทานกับท่านพระพระพุทธเจา้าน่ยพระสิวารีเขาตั้งความปรารถนากับพระพุทธเจา้าที่เขาได้ถวายน้ําพึ่งกับพระพุทธเจา้าพร้อมกับพระสงฆ์แล้วก็ตั้งความปรารถนาเพราะนั้นพระสิวารีท่านจึงล่ํำรวยไปณนะสถานที่ใดคนก็รวยสมัยหนึ่ง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 พระพุทธเจ้ากับพระรหันกูบายจานพระสง์ทั้งห้าร้อยรูปพระศิวะลีเป็นเป็นหลักมางานนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าเดินทางจนถึงสัมเณีเลวตะจนได้ในครั้งนั้นนี่แหละคือเป็นการประกาศว่าผู้มีบุญผู้ได้สั่งสมบุญไว้แล้วผู้ได้ทําบุญไว้ดีแล้วบุญกุศล น, นั้นบารมีของคนนั้นก็จะขึ้นกับคนคนนั้นได้ แต่ถ้าว่าใครไม่มีบุญก็อย่างที่ท่านพระติศะบินทบาทไม่พอฉันน่นะอันนั้นก็มีสรุปแล้วก็คือชุดโตงทางรวยแล้วก็ชุดโตงทางจนเหะอนันานพระในครั้งพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นกลัมคือการกระทำถ้าว่าใครทำกรัมไว้ไม่ดีกลัมนั้นจะตามสนองถ้าว่าใครทำกรัมดีกรัมนั้นก็จะตามสนองเพราะนั้นพวกเราอย่าคิด อย่าคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่าคิดกลังแก่เบียดเบียนเขาอย่าคิดฆ่าเขาอย่าไปคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเขาถ้าเราคิดดีจิตใจเป็นกุศลการกระทำก็ดีเพราะมันคิดดีแล้วการพูดออกไปก็ดีเพราะเราคิดดีแล้วถ้าว่าคิดไม่ดีจิตใจขุ่นมัวจิตใจเป็นอกุศลจิตใจ ถูกพยาบาทอาฆาตอยู่การกระทาออกไปก็กระทาไปในทางที่ไม่ดีการพูดออกไปก็พูดไปในทางจิตมีแตคิดจะทำลายคนอื่นเขาในเมื่อเราคิดไม่ดีแล้วทำไม่ดีแล้วพูดไม่ดีแล้วกร้มที่ไม่ดีนั่นจะต้องเข้ามาหาใครเข้ามาหากร้มเขาก็เข้ามาหาผู้ที่คิดนั่นแหละผู้ที่คิดผู้ที่พูดผู้ที่ทำน่นะไม่ไปไหนหล้วให้โทษแกท่าน โทษนั้นถึงตัวให้กลัมความทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวฮถ้าว่าเราไปนินทาคนอื่นเขาความต่อไปภายภาคหน้าความนินทานั่นแหะจะมาลุมมาลุมมาตุ่มเราฮเพราะนั้นพวกเราถึงจะเกิดมาพบในชาตินี้ก็เถอะนะถ้าว่าเขามาพูดหาเรื่องให้เราหรือเขานิ น, น, นทาเราเขาว่ากล่าวเรา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 ก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่ให้อภัยผูกพยาบาทอาฆาตเขาเขากัดถางแล้วก็กัดขาเขากั ด, กดไปกัดมากันโนเนีย่ยกันไม่มีที่สิ้นจุดเหมือนกับหมากัดหมาอย่างนั้นนะเวียนจอมย่อมระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวียเวีนจะระ ง, งับไม่ได้ด้วยการจองเวนีนพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะอย่าไปจองเวีนกับใครๆทั้งหมดไม่ให้จองเวีนกับใครให้อโหสิแล้วก็ให้อภัย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 เป็นวิบากกรรมของเก่าในอดีตชาติที่เราไปทำเขาไว้แล้วอันนั้นเราหลีกลี้หนีไม่พ้นเราจะต้องได้รับกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วหนีไม่พ้นแน่แต่ถ้าว่าเรากรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นมานี้ถ้าเรามีเมตตาอยู่ตลอดถึงเขาจะก่อ ย, อยังไงมันก็ไม่ติดอย่างนั้นแ่ละพราะเรามีน้ำอยู่ในใจของเรามีน้ำคือเมตตาของเราอยู่ในใจเขาเอาไฟมาจี้มันก็ดับไป แต่ถ้าเราไม่มีตัวนั้นขึ้นมาพอเขาจี้ขึ้นมาแล้วก็โพงขึ้นมาเลสู้กันเลยท่นี่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไปเลยแหละท่านนี่มาพูดให้ข้าทําไมวะข้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ไงผลที่สุดก็เลยเรื่องก็เลยตเตลิดเปิดเปิงไปท่านี่กว่ า, าจะรู้ได้เพนุนลนะ่ะไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้ามีการจองเวรกันอยู่จนถึงนิพพานเมื่อไหร่ต่างคนต่างไปนิพพานเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจึงจะจบเพราะงั้นนะเพราะนั้นเราอยาก